บทที่หกสิบหกบรรณศาลาท่านพระครูเล่าเรื่องที่สี่ก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาเล่าเรื่องที่สามหลวงพ่อแผ่ฟังไม่รู้เรื่องประกอบกับเหนื่อยจากการเดินทางจึงถูโอกาสนั่งจำวัดมาในรถสมภานวัดป่ามะม่วงจึงไม่ต้องภาคไทยให้ท่านฟังนายรัตนารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่ท่านพระครูเล่าขณะที่ท่านศรัทธาติดส ฟังอย่างสงบตามวิสัยของสมณะพระในถ้ำบอกว่าบัตดนี้บาารรณาศาลาและต้นมะกรีผลก็ยังอยู่และจะหายไปเมื่อพุทธศาสนาของพระสมณะโคโดมอายุครบ5 0 0พันปีปัจจุบันศาลากับต้นมะกรีผลอายุกว่าสา0หมื่นปีแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อสมภารวัดป่ามะม่วงลงความเห็นเมื่อเล่าจบ แต่ก็เป็นไปแล้วแสดงว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลึกลับซับซ้อนอีกมากมายที่ปัญญาของมนุษย์ยังเข้าไปไม่ถึงอย่างเรื่องบรรณาศาลาที่ยังอยู่ได้เพราะเป็นสิ่งที่พระอินเนรมิตขึ้นมาไม่เช่นนั้นก็คงผุพังไปนานแล้วแต่ถึงจะเป็นของเนรมิตขึ้นมาก็ยังต้องมีวันเสื่อมสูญไปมิได้คงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายท่านศรัทธาติดสะ กล่าวถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารธรรมทั้งหลายทำไมบรรณาศาลากับมัคกกีผลอายุกว่าสามหมื่นปีล่ะครับในเมื่อศาสนาของพระสมณโคดมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2595ปีเท่านั้นคือผมเอา2500ปีบวกกับ80เพราะพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อพระพุทธองค์ดับขันทัปปรินิ พ, พานในรัตนะรู้สึกกังขา ท่านศัทธาติดสะจึงอธิบายว่าเพราะเมื่อพระเวสสันดรจุติจากโลกมนุษย์แล้วพระองค์มิได้อุบัติเป็นมนุษย์ในทันทีแต่ไปอุบัติยังสวรรค์ชั้นดุสิตมีนามว่าสันดุสิตเท พ, พบุตรจากนั้นจึงจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนื่องจากวันเวลาในโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ไม่เท่ากัน 1วันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ400ปีของมนุษย์เพราะฉะนั้นส0ม0 0ื่นปีของโลกมนุษย์เท่ากับกี่วันของสวรรค์ชั้นดุสิตโ ย, ยมลองคำนวณดูสิ น, นายรัตนคิดในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่า75วันครับถูกแล้วถ้าคิดเป็นเดือนก็สองเดือนครึ่งเห็นไหมว่าสมห 0,000 ื่นปีของโลกมนุษย์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 เรื่องพระกัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามแห่งพัทธลักษบหากนับจากพระพุทธเจ้ายี่สิบห้าพระองค์จะอยู่ลำดับที่24แต่ถ้านับจากพระพุทธเจ้า28พระองค์จะอยู่ในลำดับที่ยี่สิบเท่านเล่าว่าอย่างไรท่านบอกว่าขณะนี้พระพุทธสารีละของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังอยู่ในป่าหิมพานไม่เน่าเปื่อยเพราะ พื้นที่แห่งนั้นปกคลุมด้วยหิมะเมื่อครบห้าพันปีจะสิ้นอายุศาสนาของพระสมณโคดมแล้วพระเมตยะหรือพระศีอานจะจุติจากสวรรค์ฉันดูสิมาอุบัตยังโลกมนุษย์และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแห่งพัทรักกับพระองค์จะถวายพระเพลิงพระพุทธสริลของพระกัสปะพุทธเจ้าด้วยพระเนตรที่สซึ่งอยู่กลาง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 ก็มีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ว่าจะมาตรัสรู้ในอนาคตการเมื่อสิ้นอายุศาสนาของพระสมณโคดมแต่ไม่ได้กล่าวถึงพระเนรที่สพระศีอานหรือพระเมตยะพระพุทธเจ้านี้ฝ่ายมหายานเขานับถือมากผมเคยเห็นพระพุทธรูปของพระองค์ที่คนที่เบสสร้างขึ้นมาบูชา ที่กลางพระนราชมีพระเนตรที่สามหลับอยู่อย่างที่ท่านว่ามานี่แหละฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะไม่เช่นั้นคนที่เบดเขาคงไม่สร้างพระพุทธ ร, รูปของพระองค์ให้มีพระเนตรสามดวงและที่สาคัญคือพระเนตรที่สามทำไมต้องหลับด้วยพระใน่าำบอกว่าที่ต้องหลับเพราะเมื่อลืมพระเนตรดวงนี้จะมีไฟพุ่งออกมา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 ถูกแล้วโยมเหมือนที่พาสิทจีนเขาว่าไม่เชื่ อ, อยาลบปลูใช่ไหมครับสมภารวัดป่ามะม่วงอ้างพาสิทจีนก็ไม่เชิงเหมือนเสี้ยทีเดียวแต่ว่ากล้ายๆอย่างนั้นก็คงได้ท่านศรัทธาติดสัตตอบเงียบกันไปพักหนึ่งท่านพระครูก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับตอนออกมายืนที่หน้าถ้ำ ผมได้ยกมือประนมและตั้งจิตอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้ามีบุญบารมีขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์ น, นี้ที่ประเทศไทยภายในสามวันหรือสามเดือนหรือสามปีหลงวงพ่อว่าผมจะได้ตามที่อธิษฐานหรือไม่ครับการอธิษฐานน่าจะสำเร็จผลต้องขึ้นอยู่กับสัจจะหากผู้อธิษฐานมีสัจจก็อธิษฐานขึ้น ถึงผมเพิ่งจะรู้จักท่านแต่ผมก็มั่นใจว่าท่านเป็นคนที่มีสัจจะเพราะฉะนั้นผมขอทํานายว่าท่านจะได้พบนารีผลในประเทศของท่านภายในสามเดือนท่านศรัทธาติดสัพูดอย่างมั่นใจทําไมไม่เป็นสามวันหรือสามปีล่ะครับทําไมต้องสามเดือนภิกษุไว้สี่สต้องการทราบเหตุผลก็ผมเป็นสิทธิ์พระตาคตร พระองค์ทรงสอนให้เดินสายกลางคือมัชชิมาปฏิปธาผมก็เลยตอบว่าสามเดือนเพราะอยู่ตรงกลางถ้าท่านถามว่าภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีผมก็จะตอบว่าเจ็ดเดือนเพราะอยู่ตรงกลางคือเหตุผลของพิสุลังกานายรัตนะจริงสนับสนุนว่าพระคุณเจ้าคิดเหมือนผมเลยครับถ้าให้ผมตอบ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 ก็เพื่อหลีกเลี่ยงทางสุดโตงสองทางคือการสุ ข, ขัาลิกานุโยกกับอัตตกลมัฐานุโยกชาวพุทธก็เลยถือเอาเรื่องนี้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนายรัตนะอัตถาทิบายรถของนายรัตนะกับรถบัสแล่นมาถึงท่าอากาศยานเมืองคอลัมโบในเวลาไล่เลี่ย ก, กันเพราะการจราจรไม่ติดขัดรถราวิ่งได้สะดวก และมาถึงที่หมายตรงตามกำหนดหลวงพ่อแพร์ตื่นเองโดยไม่ต้องให้ใครปลุกท่านรู้สึกสดชื่นกับปรี้กับเปรา่าหลังจากที่ได้หลับไปงีบใหญ่ๆกระนั้นก็บอกท่านพระครูว่าช่วยแปลให้ท่านศรัทธาติดสะด้วยว่าฉันขอโทษที่เสียมารยาทนั่งหลับมาในรถเพราะฉันเหนื่อยประการหนึ่งออกประการหนึ่งฉันฟังภาษาของท่านไม่ออก ไม่เก่งเหมือนเธอนิน้ำเสียงมีแววประชดนิดๆผมก็ไม่เก่งอะไรหรอกครับเพียงแต่โชคดีที่ได้เคยเรียนมาไม่เช่นนั้นก็คงพูดไม่ได้เหมือนกันแต่ภาษาสิงห์หนเรียนง่ายนะครับผมว่าถ้าหลวงพ่อเรียนต้องเก่งกว่าผมอีกเพราะหลวงพ่อเป็นมหาป ร, รียนสอบได้ตั้งหลายประโยคส่วนผมไม่ได้สักประโยคเดียวท่านพระครูพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้หลวงพ่อแพรรู้สึกดีขึ้นหลวงพ่อครับหลวงพ่อของผมท่านขออภัยที่นั่งหลับมาในรถเพราะท่านเหนื่อยภิกษุวัย43บาบอกท่านศรัทธาติดสะท่านจงใจไม่เอิดถึงเรื่องภาษาไม่เป็นไรครับผมเห็นท่านหลับก็ดีใจที่ท่านได้พักผ่อนเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงแปลให้หลวงพ่อแพรฟัง ภิกษุอวุโสรู้สึกซาบซึ้งในอัธยาศัยไมยตรีที่ภิกษุลังกามีต่อท่านทั้งยังไม่ถือสาที่ท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้เป็นอนวัตท่านพระครูทำหน้าที่ล่ามได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเข้าไปรอในห้องพักรับรองพิเศษท่านพระครูได้บริจาคปัใจจัยให้พระมกุเทศจำนวนห้าหมื่นบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษา ของพระภิกษุชาวไทยที่มาศึกษาในประเทศศรีลังกาหลวงพ่อแพรบริจาคห้าพันบาทเพราะท่านคิดว่าไม่ได้จ่ายอะไรมากจึงนำติดตัวมาเพียงหมื่นเดียวและครึ่งหนึ่งหมดไปกับการซื้อของฝากลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่มาด้วยต่างร่วมบริจาคเทกระเป๋าหากก็ได้ไม่มากนักเพราะซื้อของกันเพลินจนเงินแทบไม่เหลือ สินค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของศีรลังกาคืออัญมณีและใบาชาสินค้าประเภทแรกนั้นทำให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวพระครูบุญมีคาดไม่ถึงว่าท่านพระครูจะใจบุญใจกุศลถึงปานนี้ความรู้สึกทางลบที่มีต่อท่านในช่วงแรกๆมาลายไปสิน้นคิดว่าจะตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สาเร็จ สมดังเจตนาของผู้ให้ทุนผมจะตั้งเป็นกองทุนนักครับหลวงพี่ภิกษุวัยสี่สิบปรารภท่านพระครูนึกขำที่ถูกเรียกว่าหลวงพี่อย่างสนิทสนมท่านนึกในใจว่านี่แหละนะโบราณท่านไว้ว่ามีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่ใครไม่มีเงินทองเขาก็ไม่นับเป็นน้องเป็นพี่ ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรก็แล้วกันตัวผมเรียนมาน้อยจึงอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาสมพานวัดป่ามะม่วงพูดออกตัวเพื่อมีให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดรู้สึกท่านข้ามหน้าข้ามตากระนั้นหลวงพ่อแพรก็รู้สึกจนได้เพราะท่านพูดว่าเธอรวยนะบริจาคมากกว่าฉันตั้งสิบเท่าคนเป็นเจ้าคณะอำเภอบริจาคตั้งห้าหมืน่น ส่วนคนเป็นเจ้าคณะจังหวัดบริจาคแค่ห้าพันฉันนึกสมเพศตัวเองจริงๆหลวงพ่ออย่าคิดอย่างนั้นเลยครับก็อย่างที่ผมบอกกับพระครูบุญมีว่าผมเรียนมาน้อยจึงอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาหลวงพ่อโชคดีกว่าผมที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจึงไม่จำเป็นจะต้องสร้างบุญในเรื่องนี้ถึงอย่างไรหลวงพ่อก็มีบารมีมาก เพราะกำลังสร้างหลวงพ่อโตราคายี่สิบล้านผมตั้งใจจะไปช่วยเต็มที่รับรองว่าไม่เกินสามปีต้องเสร็จท่านพูดให้กำลังใจฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างเธอพูดขอบใจที่บอกว่าจะช่วยเธอเป็นคนพูดจริงทำจริงฉันมั่นใจว่าต้องสำเร็จแน่นอนท่านคุยกันเรื่องอะไรหากไม่เป็นความลับ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 โชอยังดีที่คนรวยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธถึงอย่างไรเงินก็สำคัญเพราะนั่นหมายถึงอำนาจในการต่อรองจริงไ ม, ม่ยมท่านถามนายรัตนะจริงครับพระกุณเจ้าที่ชาวพุทธมีอำนาจในการบริหารประเทศเพราะรวยกว่าพวกธมินถึงกระนั้นก็ยังต้องคอยระมัดระวังเพราะพวกธมินจ้องจะทาลายล้างพระพุทธศาสนา ให้หมดไปจากสีลังกาไม่รู้ว่าทำไมถึงจมเกลียดจงชังพวกเรานักนายรัตนาพูดยิ้มยิ้มไม่ได้รู้สึกเครียดแค้นจิงชังพวกธมินแต่อย่างใดคงจะเป็นคู่เวรกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกระมังท่านพระครูลงความเห็นผมก็คิดอย่างนั้นถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดได้อย่างไรแต่ชาวพุทธเราไม่จองเวร น, นะครับ เพราะเรายึดมั่นในคำสอนอันเป็นสัจธรรมที่ว่าเวรจะสิ้นสุดก็ต้องหยุดจองเวรทุกวันนี้เราก็เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่เคยเป็นฝ่ายรุกเสียงประกาศให้ผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องคณะเดินทางทั้งพระและขรหั์จึงอําลาท่านศรัทธาติดสะกับพระมะกุฎเทศห้ารูปรวมทั้งนายรัตนะจากนั้นจึงเดินทางไปขึ้นเครื่อง